เทศอบรมพระวันที่22ทธันวาคม2521นี่ตอนปลายเผ็ดร้อนมากเทศเรื่องพระมารวมรมอุโบสถกับอาจารย์มั่นคราวละห0 6 0รูปพูดเรื่องลาท่านไปเที่ยวต้องดูอาการของท่านเป็นสำคัญมากพระทั้งองค์มีแต่ความโลภในวัตถุความสนใจในธรรมเลย ค, ยค่อยๆ อ, อับเฉา และหมดความหมายไปวัดและพระมีธรรมนับวันมีน้อยเข้าไปทุกทีในหัวใจของพระนักปฏิบัติกุดด้วนลงเรื่อยเพราะกิเลสจากโลกามิตกัดกินไม่หยุดหย่อนตอนท้ายเข้มข้นมากปรกใจดีมากเทศถึงด้านบีเล็กน้อยแล้วหยุดใครฟังอัดได้ไม่มีพูดต่อด้านบี พักเกี่ยงนะพักทีางกฎอยู่ตามทางยัมคมของมีเพราะเวลามากมัก น, น, น, นมากจริกกงพอภายในวัดมันห้าหกสิบเนี่ยังอีก บ, บริเวณบ้านนั้นบา้านนี้ ใ, ใกล้เพียงสอง 3, สามกิโลสี่สามกิโลสี่กิโลเรานีม่มารวมมืสดกันในวันมือสด ครับห้าหกสุดแต่พอพระพนะไม่เรียกไม่นับในเขาเนี้อมรุ่สุดระยะท่านก็ให้โอวา่าคนมาโอวัสุดแล้วให้โอวา่านเทวาวานี่ผิดด้อนมากทีเดียวฟังถึงใจ เราก็เป็นห่วงตัวของเราเองเวลาเราไปก็เป็นห่วงท่านดูอาการเน้นแต่แเรื่องเกล้าเล้กาเพอให้ท่านลำคาญตาอะไรต้องอะไรถ้าเราอยู่นอกคอยคาขาดอยูตลอดเวลาเนี่ยแต่ก็จําเป็นต้องไปดูอาการท่านเวลาเราจะลาไปกาบลาไปเที่ยวเนี่ยดูอาการท่านไม่อยาให้ไปนะเพท่านคนเห็นเกี่ยวก็รนึู้คน บันทีคนตั้งปัญหาพอเห็นเราคลองผาที่ธรรมดาทาไม่มีคุณะผมก็ไม่ดคองผาเพราะมีคนปฏิภาสีมีขันขันแล้วแบแต่หาท่านตอนเช้าตอน่านขันขึ้ น, นปฏิภาสีขันขันชาขันเนแล้วเราก็ขึ้นไปธรรมดามีผ้ามีสัเพราะมีผู้คนมีเราคุยกันบ่รือางคากคลงมา คนมากเราจะลาท่านเราตักงไปลาตอนตึ so talk, so talk, oh, uh ่างเย็นเทนตอนเช้าเพราะตอนเย็นมักจะมีเพื่อนผู้มากตอนเช้าจะมีตงสามองค์ี่องค์พอเห็นความผ่านเลยไปใส่เพไปใส่ทั่วอยู่กอนอีกทั่วปัญหาออกแล้วนะหืม เราไปไช้ตัวถงหายื่กันใ้ตัวว่าัปัญหารากว่ห้กระเทือนหัวใจโตมคนก็เลยหาก ว, ว่าท่านไม่พูดอะไรอีกเลยท่านพูดเรื่องราเวเะีกเยเราก็ไม่กล้าจะกลรบมากา็จะการลาไปไหนมาไหนเลยเพราะปัญหานั่นบอกสทานแล้วว่าท่านมีความมุ่ตา พูดกันๆๆๆนึ่งนั้นหนึ่งนี่เทนก็แย้มออกมาถ้าอยู่ก็ได้กำลังไปถ้าได้กําลังอยู่ก็ดีถ้าอยู่ไม่ได้กําลังไป ไ, ได้กำลไปก็ดีคุณถ้าอยู่ก็ได้กําลังไปก็ได้กำลังอยู่ก็ดี อยู่ไม่ได้กำกำลังไปไม่ได้กำลังอยู่ดีกว่ า, ท, าทั้งสามสี่พักพูดเดี๋ยวคันเปโดกระกไกได้เวลาพูปมีโอกาสที่อะกาศเย็นการาดูก็ได้กำลังแต่ว่า ทางนัดวาควมีระอรหันตคุยวารจร์ควา ม, วาวาวามดสดกสายดอาีอันนี้คือแบบพระภาวนาทั่วการทช่วเวลาบ้างระหว่างอันนี้กจจ็น่าจะเป็นแวคุยวารจันทร่ทุกคนประกันนแต่นั้นฉันก็เปิดทางจะไปทางไหนอ่ะเนี่ยเปิดทางนั่น าต้องฟังแเต็มที่เต็มหนึน่งเพราะท่านจองกลับคิดว่าจะไปทางนั้นพครัว่าจะไปสี่องค์อันทาไปองเดียวเออดีว่าไปองคเดียวครับเ๋ไปยุ่งกับท่านนะแน่เอะตรงนี้เข้มนนะตรงนี้ถ้าเดีุด่ทานนะมหาท่านไปองคเดียวมันจะมางองค์เดียว่ะใครจะยุ่งนะ่ะนนะ ท่านก็ช่วยรักษาพระนี่ก็ไม่เกี่ยวข้องกัเราไปไม่ได้ถ้าท่านว่างนั้นเราไจดสีไม่้หนึ่งเราก็ดุสองท่านก็จะเขะ อ, อื่นพราะมีที่พึง่อองอยาน้วมแสวงการอ่านีปเราแล้วไปก็ไม่ไปอยู่นะกลอลไนักหนาสิบห้าสิบกกิโลเาบสุทธานทาน่านหันถือเรื่อมาอุจจบริสเรื่องไรแล้ว เวลาไหนจะกำเวลาไหนก็น่าผมไม่ไม่สนใจัปเวล่เวลาที่ค่าคุยกับท่านเป็นจนกลางคืนบุญญาจะปเฮ้ยไปแล้วไปไปดงทางนั้นนะเฮ้ยดงเสือดงอะไรทางนั้นแหละแต่มันไม่สนใจกับเสือกับเสือเลยห้ากิโลหกกิโลดังห้าสิบสองสิบสามกิโล บุกป่าไปนั่นแหะมันเป็นทางพอพบไปได้ผมก็มาติดไฟนะไฟไฟฉายร้อนีย่นี้เดินไปนั่นแหละหลวงพながらนี่ขึ้นไหมเนี่เป็นกังวลกับเรื่องการไปกลัวจะข้ามจะมืดจะไม่ติดเงาปัดกวาดลานวัดลานว่ามันโบสุดป <ler> mm ัดกว่า้ลานวัดลานว่าเสร็จเรื่องไรนะล้างทางโง่สุด เดาเดินไปอหนน้ำร้อนชาของท่านบาคทีท่าน ม, มีที่ร่ายเราจะพูดธรรมะเราทราบแล้วยังไม่กลับหนี่บางทีท่านขึ้นไปนองก็คุยอร่อยเื่อยเรื่องงกลับเอานี่ยมาหน่อยงนกงลับของเราไปคนเดียวบางทีก็ลงมาสุดเห็นน้า้อน้่าเราก็กลับนี่เป็นใบจำบางทีก็ ห้าหกวันมาทีจนีงเกี่ยวกับปัญหาทางจิตใจก็มาเยอมากเยอะพูดถึงเรื่องพระเน้นว่าการปกครองลำบากเพราะนิสายใจคอไม่เหมือนกันผู้อยากคงมีผูละเอียดคงมี ภูหยาบนั่นแหะมันทับภูละเอียดในแล้วความลำบากลำคางรักอกหนักใจต่างคนต่างมุ่งมุ่งทำด้วยกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันสะดกสบายเพราะคาว่าทำแล้วจะไม่ขัดกันไม่กระทบกระเทือนกันแต่ถ้าเป็นโลกกับธรรมโล ก, กหมายพิจิลรกับธรรมมันกระเทืงกันได้สน่งสถานที่อยู่ กับผู้บําเพ็ญคือนั่งบวชเป็นสถานที่อยอันเหมาะสมกับผู้ต้องการอัดธรรมและความสงบเยืเเเอกเย็นเพศก็าอ่อนวยเมื่อในอะไรกตกประเทืนกันบ้างเล็กๆน้อยๆ ม, มันจะเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับผ้าขาวถูกเปื้อนนิดหน่อยก็สแสดงให้เห็นความสะกะปรกนั้นเด่นชัดยิ่งกว่าผ้าธรรมดาที่เก่าๆแก่ๆแล้ว คือการหนึ่นงนั่นเองเรื่อท้ทพเราจรึงต้องละมัดระวงังในเรื่องการกระทบกระเทือนกันนี้เป็นภัยต่อกันมากแล้วกระเทือนทั่วทั้งวัดไม่ใช่เป็นของดีเลยมันแสดงออกประการใดที่ห็นงามไม่ถูกไม่ดี รีบระงับดับมันทันทีทันใดสมกับผู้มาฆ่าที่เหลืมาระงับดับที่เหลืออย่างนั้นอยู่ด้กันได้มีมากมีน้อยก็มกไม่ขัดขออ้องงานนี้มันเลืนอนเข้ามาเดินเข้ามาจนแทบจะไม่มีเกาะมีดอนขอให้ทุกท่านได้เข้าใจเอาไว้คํำพูดที่ อย่างที่พูดนี้ไม่เป็นความผิดคือมันด้นเข้ามาด้านเข้ามาจนทั้งมีเกาะมีรอนก็คือถูกโลกหนึ่งเอาขยายออกไปทมันชัดเจนกับความโลกซึ่งเป็นพิษตัวอยาบช้าลามหมดมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจกายวาจาพระหนึ่งของเรา เหยียบเข้าไปทุกวันย่ำเข้ามาทุกวันความเห็นแก่อาถระพ์ารทการบวชเข้ามาด้วยเจตนาเต็มตัวเพื่อจะทำล ะ, ะสะสมที่ิตอันนี้เมื่อถูกความโลภมันเหยียบย่ําทำลายเข้าไปเจตนาเหล่านี้ก็ไ่อยอับเขาลงตาเขาลงไ ป, งไปจนกระทั่งไม่มีเหลือท่าทั้งองค์มีแต่ความโลภเต็มตัว ความโลภ ก, กับความโรกรธกับความหลงนี่มันเป็นสหายกันเหมือนกับไม้ต้นเดียวนั่นมีกิ่งก้านแตกออกไปเป็นความโลภความโกรธกิงใหญ่กิ่งน้อยนีกเป็นเรื่องของจิตหลออกจากโมหะมันครอบงามากผิดปกติที่นี้เกาะดอนก็ไม่มีที่จะให้เกิดความทุ่มเย็นเพราะทมไม่มี มีแต่ความโลภแล้วอยู่กันจำนวนมากน้อยก็ต้องเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเราเป็นท่านเป็นเขาเป็นเหล่าเข้ากันไม่สนิเลยเป็นพวกเป็นพ้่องเป็นแตกเป็นลาวไปอย่างนั้นมันดีที่ไหนมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่อง ทำลายทำของพระพุทธเจ้าให้สิ้นไปหมดไปเพราะฉะนั้นจึงว่าเกาะดอนจกไม่มีมันย่นเข้ามาด้นเข้ามาผู้ที่มุ่งต่อกาปรปฏิบัติเพื่อเพื่อทรมด้วยเจตนาหวังบุญหวังกุศลหวังมรรคผลผ่านยิทนที่นี้จึงมีจำนวนน้อยมากถึงเทียบกับว่าเกาะอันเล็กๆอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทร ทีนี้เมื่อยนเข้ามาถึงตัวพวกเรานี่อาการทุกสัตว์ทุกส่วนที่แสดงออกไปนั้นมันเป็นเหมือนมหาสมุตร mm hmm. ก็ะที่ันจะให้รับความร่มเย็นคือสติปัญญาสัทธาความเพียรนี่เรามีมากมีน้อยเพียงใด ห, หรือมีตั้งแต่มหาสมุติมหาสมุติมหานิย ม, มันครอบไปหมด จนกระทั่งมันมีเกาะคือความร่มเงย็นแห่งธรรมให้ไม่พอดูพอเย็น อ, อกเป็นเย็นใจบ้างมีหรือไม่ภายในใจของเราสัมภากันคิดให้ดีในวงวัดก็เป็นอย่างก็เรียกว่าเป็นเกาะอันหนึ่งแต่ละวัดละวัดแต่ละวงของกรรมฐานก็เป็นเกาะอันหนึ่งกาะอันคำว่ากรรมฐานจะเป็นวัด อ, อาจารย์ปราม แสดงตนว่าเป็นพระอมาะฐานแต่เมื่อถูกความโลภโลเลในโลกานุญหลงไปตามโลกตามองศามันเผาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเข้ามาเข้ามาถ้าเนรจะมีจำนวนน้อยมันก็เหมือนกันกบซากไม้ที่ถูกไฟไม้ดำเป็นตอตะโกเข้ามาเรื่อยๆอเหมือนเขาเผารั้วเอาสวน เผาไรเอานาเขานั่นหาต้นไม้เสะยดีต้นชุ่มเยืยนใบดกหนาเนืรับความ่เย็ยนเป็นจุดมีากนา น, น, นันนอนนี่นมีด้วยย่นเขามาย่นเขามาวัดนั่นย่นเข้ามาวัดนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าความโลภมันได้เข้าในสถานที่ใดมันก็เป็นไฟลามทุ่ง ไม่เป็นทั้งลำเป็นลำตายให้พากันเห็นไถ่สิ่งเหล่านี้หากว่าจะทำโลกให้มีความร่มเย็ยนเป็นสุขได้ดังความสำคัญมันหมายของโลกที่พอใจ้าเสือกระสนกันยิงนะักนีแล้วโลกจะต้องเต็มเพราะด้วยความร่มเย็ยนเป็นสุข นี้แต่ความสนางหนผาดเผยเป็นสุดทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยแต่นี้เป็นเพราะเ่างไรสิ่งเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ตามความต้องการของโลกที่มุ่งกันขวนขวายกันแต่แล้วกลับเป็นปืนเป็นไฟเผาโลกเผาสงสารให้เห็นประจับตาประจับใจเราอยู่ทุกๆวันนี้ไม่ใช่มันบอก มั้ยมั้ยเจ้มั้ยมีหมมเหมนโอน่ะขึนไก่เยอะก่าเฮ้ยขึ้นไกลยอะส้นัก่เยอะฉะนั้นเราจงเห็นโทษในสิ่งที่กล่าวมานี้ให้ถึงใจและเห็นคุณค่าแห่งธรรม ดั้ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วความรู้จริงเห็นจริงเพราะทรงปฏิบัติมาโดยถูกต้องแล้วนั้นน่าเป็นหลักใจเป็นหลักใยสมกับว่าพุทธังไสมังคาฉานเอาทั้งองค์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งปฏิปัตทาที่ทรงพาดันินมาแล้วอย่างใด ทั้งพระาวาดที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกหม่มนั้นน้อมเข้ามาสูกจิตใจหายใจได้ยึดได้ถือในหลักคุณสมบัติอันประเสริฐทั้งสามประเภทนี้เราจะมีความล่มเย็นเป็นสุภาในใจิตใจใจเป็นสิ่งประเสริฐมากที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเมื่อใน รับการฝึกฝนอบรมหรือทรมานให้เต็มที่เต็มฐานบรรดาที่เดชประเภทต่างๆท้นทั้งที่อยากช้าล้ำที่ดื้อด่านหานทมที่สุดก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอัตถกธรรมคือหลักมัตต์มาปฏิปทาเป็นต้นที่พระองค์ท่านเหมาะให้แล้วนี้เป็นาศาสตาวิตไปได้เลยต้องคิดท้ายวายปวงไปหมดไม่มีจิตใดเหลือ ยึดหลับมัชจุมาปฏิปทานขึ้นต่อสู้เราจะได้เห็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐทมเป็นของประเสริฐได้ไหมคำว่าทาได้แก่อะไรเมื่อทมกับใจเท่ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราพูดว่าใจก็ขัด ถ้าว่าทำทั้งดวงนั้นเหมาะสมนั่นแหละคือผู้ได้ทำประเสริฐเมื่อจิตได้สิน้นแล้วจากสิ่งลามกเป็นสิ่งที่กํรชาติเหลือามทข้างหลายไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วได้เป็นธรรมชาติประเสิดได้โดยลำาดับแดะโดยลำตัวราการปฏิบัติ เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักศาสนาที่สอนไว้ไม่มีหลักใด จ, จะยิ่งไปกว่ามัชชิมาปฏิปทาขอให้ท่านทั้งหลายทุกทุกองยึดไว้เป็นหลักฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมท่าสงศ์ฝากเป็นฝากตายไว้กับมัชชิมาปฏิปทาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังนี่แหละ หลักยึดของใจนี่แหะถ้าว่าเป็นสำเพอใหญ่ที่จะขี่ข้ามมหาสมุทรก็คือมัจจิมาปฏิปทานี่หลยอันจริงทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันเคยพบเคยเห็นเคยสัมผัสทางตาทางหูทางสมูกทางลิ้นทางกายตลอดความคิดความตุงมต่างใจเหมือนโลกโลกทั่วไปที่เขาสัมผัสสัมพันธ์มาแล้ว มันก็เป็นเหมือนโลกนั่นแหละไม่มีอันใดที่จะยิ่งย่อนหรือวิเศษยิ่งกว่าโลกไปสิ่งวิเศษกว่าโลกก็คือธรรมการทวนกระแสของโลกมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อความเอกจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายต่อต่อธรรมนี้ชื่อว่าดําเนินตามร่องหน่อยหรืตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอํานาจแห่งประโยคความเพียร มีเราจะเป็นไปพัความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเราปฏิบัติผมพูดตามความจริงนี้ได้ปฏิบัติมาตั้งแตออกปฏิบัติมาตั้งพันสาเจ็บคิดเอาปีนี้ก็พันสาสี่สิบห้า่ปีแล้วที่ดูทีเร่งประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่เก้าออกแยก แง่เรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยลดละการจิตตัปภาวนาทํามาอยู่เรื่อยอย่างลับๆให้ใครรู้เพราะเรามีความสมัครรักชอบในจิตตัปภาวนามาแต่การไหนๆมันจะเริ่มบวชทีแรกเห็นพระกรรมฐ า, านท่านมาพักวัดเช่นวัดดูธานนีหนองค้อนกว้างกรมทหารอุดรนี้เพราะเราอยู่วัดนั้นเราบวชที่วัดนี้ เมื่อท่านมาพักที่ใดเราต้องไปถึงก่อนและไปปุถุธรรมะธรรมบุญ ท, ท่านท่านพูดนาฟฝังจับใจไพเราะทำให้ซึ้งในจิตใจนั่นหละเป็นเหตุให้ฝังภายในจิตเข้าโดยลำดับลำดับให้เกิดความรักชอบในทางด้านปฏิบัติจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติเยอะจริงๆแม้นนในขณะที่เรียนก็มีความ สัต์ความจริงตั้งไว้เพื่อไม่เพื่อนค่ะเรียนก็เรียนเพื่อรู้รู้แล้วจะออกปฏิบัติความคิดเช่นนี้ไม่ให้ลบเลือนไม่ทำลายความสัตว์ความจริงของตนเองจนถึงวาระสุดท้ายที่หมดคำอธิษฐานได้จะสอบประรยืนสามประยุกจบที่นลงไปแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอื่น จะไม่ยอมีเรียนชั้นในบังต่อไปแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจค้ามในการเรียนอยู่ก็าตามแต่คําสัตว์เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าความขยันหมั่นเพียรเพื่อเรียนเหล่านั้นอีกมากมายทึยงต้องทําลายคำกลับไ น, น่จากนั้นก็ออกปฏิบัตินี่ดูเคยได้เล่าทา อธิฐานให้หมเพื่อนฟังหรือได้ฟังทั่วกันรือไมทั่วกาไม่คราผมเคยพูดในเวลาเรื่องประสัมผัสอยู่ยู่วัดบรมนิวาทนี่แหละอตอนนั้นสมเด็จข้ามหาวีรวงองค์พระทศกิมมาทขานท่านเป็นราชกวีทท่านออกไปต่างจังหวัด เราอยากเจาะเป็นกาลังจนกระทั่งมองเหมือนกับว่าใบไม้อะไรอะไรก็ดีเหลืองไปหมดคนในกรุงเทพนี่เล่าเราพูดตามความจริงนะมันเหมือนเหมือนไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในกรุงทั้งกรุงที่คิดอยากจะอยู่อยแบงมีความชุ่มชื้นสิ่งนั้นอัศจรรย์สิ่งนี้มันไม่มีเลยมีแต่ความสัตว์นี้จะขาดทายเดียวถ้าเราไม่ออกแล้วให้เราตายเสียดีกว่า พรานั้นนี่แต่อยากจะออกไทยอยู่มองดูอะไรมันเหลืองไปหมดเหมือนกับว่ามันหมดคุณค่ายังเหลือแตาคำสัพท่านี้ถ้าพรองคําคำสัพแล้วขาดแล้วให้ตายเสียดีกว่าพอดีเป็นโอกาสสมเด็จที่เป็นอาจาร์ท่านเป็นาราชกวีไปต่างจังหวัดเราตั้งสาัจารริสฐานในคืนวันนั้น เพราะท่านบังครับเราก็เห็นใจท่านท่านเจตนาหวังดีต่อเรายังไม่ออกให้เรียนจบหกประโยคซะ ก, ก่อนแล้วค่อยออกห่างๆนี้เราไม่พูดพูดไม่ได้พูดไม่ออกเพราะหกประโยคก็ไม่ใหญ่โตยิ่งกว่าคําศัตย์จะได้ร้อยประโยคประจงังถ้าลงคําศัพย์ได้ขาดแต่แล้วร้อยประโยคประโยคก็คือมาประดับคนตานัันเองน้าปิดมันลงขนาดนั้นนะจะออกทายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่จะขอไปด้วย อริยานมีงานไม่แบบผุ้นพลังไม่แบบทิฐิมานะไม่แบบทูลูทู ก, กังดื้อด้านแต่อย่างนั้นหากจะหาออกโดวยวิธีที่เหมาะสมจนไดน้เราคิดอะไรกลงคืนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานหรือเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนเราไม่เคยละมินนะพอว่าพระเพื่อนนอนหลับหมดแล้ว เราก็ไหวพระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัจจะฐานหลักหาวักหาพระ จ, จะอำนาศวาสนาบุญญาปิชฌาภานสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหันตภูมิพ้นจากทุกโดยถานเดียวแล้วในขณะที่ออกไปประพฤทธปฏิบัตินี้ การไปของขปจก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและคําฝันนี้ก็ขอให้แสดงเป็นคําฝันที่อัศจรรย์อย่างยิ่งสมกับภูมิที่เราปรารถนาก็คืออรหัตภูมิกา ร, าารไปก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและได้สาเร็จด้วยตามความมุ่งหมายคํานิมิตในคําฝันนี้ขอให้แสดงเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เราไม่เคยได้ยิน ได้เห็นมาก่อนเลยมีข้อหนึ่งข้อสองเมื่อออกไปแล้วการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนั้นก็ขอให้นิมิตนี้ลดลงมาตามขั้นภูมิแห่งความไม่สมหวังหรือจะสมหวังเพียงขั้นใดๆก็ขอให้แสดงบอกในนิมิตนั้นทศพเจ้าจะถือนิมิตนี้เป็นหลักเกนฑ์สำคัญสาม ออกแล้ไม่ได้เรื่องไม่ลาวอะไรหรือไม่ได้ออกไปเลยถึงออกไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ลาวอะไรขอให้ฝันอย่างเลวทามที่ไม่น่าดูเลยหรือว่าดูไม่ได้เลยตั้งสัจจะฐานทั้งสามสัจจะฐานทั้งสามประเภทที่ขบวชได้ตั้งไว้นี้จะออกทางด้านภาวนาก็ต่างจะออกทางคำฝันข้อต่างเบ้ายินดีรับทั้งสองประเภทเพราะเราออกภอวนา อยู่ทุกคืนก็คือไม่เคยหลับะ น, นังจก็เข้าที่ภาว น, นาเป็นเวลานานชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้เหลืออะไรก็เลยล้มตัวนอนประมาณสัาหกเที่ยงคืนเพราะสวดมนต์ว่าพระอยู่วนานตั้งสัต่นานิฐานอยู่นพนานตลอดคนภาว น, นาอีกทอด หลับไปท่านั้นปรากฏว่าได้เหาะลอยขึ้นบนอากาศอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหาะรอบนครหลวงนครหลวงนั่นไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพนะเป็นนครในความฝันน่ว่าเป็นนครหลวงที่ส ง, ง่างามที่สุด ตึกรามบ้านทองนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายคือมุงอย่างนี้ไม่เป็นสังกนสีกระเบื้องเหมือนอย่างเมืองหลวงในกรุงเทพเล ย, เลยกลายเป็นทองคำธรรมชาติเหลืองอาลามไปหมดทั้งเมืองนั่นเลยเราเหาะยูนอากาศมองลงมาจนเกิดความประทับโอ้โหเมืองอะไรทำไมถึงอัะจัรขนาดนี้ มองดูที่ไหนมีแต่ความสง่า ง, งามแผ้พวพาไปด้วยแสงมันสาดแสงเพชรแสงร้อยแสงอะไรก็ไม่สาดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จนติดหูติดตาอยู่จุกระทั่งทุกวันนี้เหา ะ, อะรอบพนควรานั้นถึงสามรอบนะมัพนพันคว่านีก้กว้างมากจริงๆสุดสายหูสายต า, ย า, ยายแต่คำฝันมันก็รวดเร็วมันเหาะรอบไป อย่างโลดเดียวได้สามรอบพอจบสามรอบแล้วก็ลงเหาะลงมาพอลงมาถึงที่กระดูกตึงตื่นพอดีโอ้โหเกิด ค, ความกระหยิ่มยิ้มย่องไม่มีอะไรทียบเท่าเหมือนกับหวัวใจที่มันพองขึ้นเท่าภูเขาเนี่ยมันพอใจอย่างไรเราต้องสําเร็จแน่ๆไม่สงสัยความแน่ใจนะนี่การออกเราจะต้องได้ออกแน่ๆเนีลยจะต้องสาสําเร็ ดังความมุ่งหมายในจุดสุดท้ายที่เราต้องการดันยิ่งทีเดียวความฝันอันนี้เราไม่เคยมีตั้งแต่ชีวิตของเราเกิดมาจนมาสั่งแต่นี้แล้วสมกับที่เราตั้งสถาปฐานใเห็นของอัศาจรรย์เมืองหลวงเมืองนี้เป็นเมืองอัศาจรรย์อย่างนี้แล้วเหลืองอารามประโยชน์เพ็รด้วยพลอยไม่มีเครื่องทัพสัมภาระแต่สร้างด้วยไม้ด้วยหินด้วยปุนด้วยสายไม่ปรากฏเลยนี่สิ ไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่หลังขนาดไหนมันเหมือนกระหอปราสาททั้งนั้นเนต็ม ไ, ไปด้วยเพชรด้วยพลอยทียทองคำธรรมาชาติพอตื่นเช้าขึ้นมากฉันไปหันศีลแล้วเข้ากล่าลาสมเด็จมหาเมงวงศิจโศอ้วนท่านเออไปไปดีไปช่วยธรรมทิฏิยานที่โหราดด้วยนะวันนี้นะ ไปช่วยสอนหนังสือผมก็ บ, บอกว่าก้าวเรจะไปทางนั้นแหละเราวางจะไม่ บ, บอกว่าจะไปสอนหนังสือถ้า อ, าอานุญาตแล้วเตรียมในเดี๋ยวนั้นเลยเฮ้ไปทันทันรถไฟพบรถไปถึงแค่โคราชขึ้นรถไฟนอนโคราชคืนนี้เปิเลยจําในษาที่จะขราดนัะหลักที่นี่ออกนะแล้วม่แล้วไม่พูดแล้เรื่อง สมเด็จท่านสั่งอะไรต่ออะไรจดหมายไปยุ่งท่านเรียกตัวกลับกรุงเทพนายแดกนั่นจามาศจิตนั่นก็พ้องนาเนเร่งใหญ่มาเจริญ น, <ม>นี่แหะพูดถึงเรื่องการท่ากจิัีเราที่เราจะพูดเรื่อยไปเลยจิตมันก็จะเริญขึ้นเดือดท่ามนมาเสี่ยงก็ตอ น, นหนึ่งจึงเล่งกันใหญ่เล่งกัน เอาเป็นออาตายเขว่าจิตจริงข้อนี้มีความเจริญขึ้นด้วยสมาธิมีความแน่นหนามัน่นคงจนเป็นที่แน่ใงเอาจากนั่นแล้วก็นั่งต ล, ตลอดรุ่งทีเดียวฟาดมันลงอย่างเต็มที่เต็มฐานถูกโกรธถูกแค้นที่สุดข้าว่าเราได้ผูกโกรธผูกแค้นกับผู้ใดเหมือนอย่างเราผูกโกรธผูกแค้นให้ความเฉื่อม แต่จะมาที่ศีของเรานี่แล้วเราจะฆ่าคนห้าศพสีศพโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะแค้นถึงขนาดแต่นี่มันก็เป็นในเราเ อ, องเขามันราบจะฆ่าในงเพราะการฆ่ามันก็ผิดธรรมเหมือนเนยพนาเข้าถึงขั้นเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเอาสัจจะทมคือทุกข์สัจขึ้นเป็นตัวตั้งสมุทัยสัจขึ้นเป็นตัวลี่คลายด้วยปัญญา พินพิการมาขนาที่ทุกข์มันโหมตัวมาเป็นที่ไม่ยอมให้มันถอยไปได้เลยเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าไม่ตายวันพรุ่งนี้เช้าเป็นอารมณ์ขึ้นมาใหม่นั่นแหละเป็นเวลาลงเวทีกันถ้าตายก่อนหน้านั่นก็ให้ตายแต่การถอยนี่ถอยไปไม่ได้เอาสาธุทุกมีเท่าไหร่ขอให้แสดงเต็มที่เพราะทุกขันว่า เป็นอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเราเป็นลูกทิตตถาคตคนหนึ่งทำไมจะพิจนาให้ถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ได้เราจะต้องท่มต้องให้เห็นเต็มที่เต็มแดนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราเอาทุกข์มีเท่าไรขอให้แสดงขึ้นมาพูดแล้วยกมือขึ้นหนึ่งนะไม่ใช่ธรรมดาสาธุทุกข์มีเท่าไรขอแสดงให้พระพเจ้าเห็นทั้งหมด ไม่ว่าจะทุกทางกายไม่ว่าจะทุกทางใจเพราะเป็นสัตะธรรมด้วยกันพาะเจ้าจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยสติปัญญาเต็มกำลังความสามารถของเราหรือไม่เช่นนั้นเราจะตายกับแนวรบนี้ไม่ยอมถอยหลังเพราะว่าฉนั้นจิตกระหมนเต้ยวิวทุกเกิดขึ้นอะไรตนะ้อเทียบเคียงกันทุกขัทุกส่วนทุกที่ตรงไหนมีม า, จากจับจุดนั้นไว้ เช่นทุกข์ที่หัวเขาปุ่นยางไงหัวเขามันจะแตกหัวเขาที่มีอะไรอยู่ในนี้มันแยกกันหนังหรือมันเป็นทุกข์หนังหุ้มหัวเขาหรือเป็นทุกข์ดูหนังแล้วก็ดูทุกข์ทุกข์มันเป็นสภาพหนึ่งหนังเป็นสภาพหนึ่งหนังมีมาตั้งแต่วันเกิดทำไมทุกข์ในหัวเขาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาตอนเรานั่งภาวนา น, นี้ถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วทาไมทุกข์ถึงไม่ มีมาตั้งแต่วันเราเกิดที่หัวเข่านี่เนี่ยคือเราถือเอาจุดได้จุดหนึ่งนั่นแหะที่มันเด่นเพื่อนคือว่าจุดนั่นเป็นจุดสนามโลกเป็นเป้อาหมายการพิจารณาแยกเขึ้นไปถึงเป็นถึงกระดูกอันไหนมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันดูสภาพแห่งทุกข์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตมันก็คือเราพิจารณาตรงไหนนจอ่จอจ่อจอนะคือไม่มีถอยถอยไม่ได้เวลานั้น เมื่อเราได้พุ่มลงเต็มที่แล้วเราจะ <c oughs> ถอยจิตออกมาด้วยความอดเย่ไม่ได้ต้องสู้เอาขาก็ขาดทีเลสไม่ขาดให้ลมหายใจมันขาดมีอยู่สองอย่างตอนนี้พอแยกแยกกันไปหลายครั้งหลายผลตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่เพอไม่ถอยมันก็ทําให้เกิดความเข้าอกเข้าใจคลี่คาลุ่นหนังก็สักแต่ว่าหนังเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นสักแต่ว่าอินกระดูดสักแต่ว่ากระดูดหนึ่ง เวทนาทุกคือทุกเวทนาสากแต่ทุกเวทนาเท่านั้นทีนี้กิตเสักแต่ว่าจิตต่างอันต่างกินเมื่อต่างอันต่างกินแล้วทุกเวทนาหายวูบหมดไปจิตลงถอยเงียบเหนัดรู้ชัเงยบเลยที่นี่นะฮะดิที่นี่ะ น, น ะ, อ, ะ, อ, ะ, ะ, นนะอย่างนี้จะเหลือ ทุกข์คมันกําลังโผมตัวอยู่เหมือนกับมันจะส่งเปรย์ขึดนู้ น, นถึงเม็ดดับลงด้วยอํนานาจแห่งมากคือปัญจิตปัญญานั่นนั่นประการหนึ่งนะครับเท่าที่เราได้เคยคิจารนานมาตามความรู้ความเห็นของเราจริงจริงไม่นําความรู้ความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดและการปฏิบัติของผู้หนึ่งผู้ใดามาทําในเวลานั้นเป็นอุบายวิ่ีของเราเอง คิดขึ้นมาในขณะปัจจุบันเพราะความเอาตายสู้จิตมันจึงไม่ถอยหลังเอาสู้ไม่ได้เอาตายไม่ตายไม่ห่อยไม่ตายให้รู้จิตมันจึงเป็นเหมือนอะไรมันจะออกแสบแผวกลาแผวขาวเพราะความกล้าหาญนั่นอันหนึ่งพอทุกดับลงไปเมื่อจิตจริงจิตก็จินสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเป็นอางอืนไปไม่ได้ในธนาก็สักแต่วิธนา มันไม่รู้ความหมายของมันอเหมือนไฟไม่รู้ความหมายของตนไม้ที่ถูกไฟไหม้นั้นไม้ก็ไม่รู้ความหมายของของไฟไฟจะไม่รู้ความหมายของไม้ทั้ ง, ท, งทั้งทั้งที่ไหม้เผากันอยู่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องต่างหากนี่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องจิตเป็นผู้ไปหมายว่านั้นเป็นสุขนี่เป็นทุกข์ต่างหากพอพิจารณาเข้าอย่างจริงจังแล้วมันถอนตัวเข้ามา ความสัมผัสหมายถอนเข้ามาถองมาจนเข้าถึงจิตจิตก็เลยจิงตามจิตเมื่อจิตจิงตามจิตจิตก็ปล่อยอาการทั้งหลายหมดจิตอาจารย์เราจะเรียกว่ารวมอะไรผมนี่พูดไม่ถูกนะว่าอัปปนาก็มันอัปปนาอะไรอย่างนั้นมันมันเป็นเรื่องที่ข้าหาหันที่สุดมันรวมด้วยความข้าหาน ร, รวมที่ ด้วยความรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่เดียว่าปัญญาอบรมสมาธิเนี่ยเรารู้ตรงนี้เองโดยไม่ต้องไปเรียนไปถามผู้ใดอ่ะออจิตสงบด้วยแบบนี้คือสงบด้วยปัญญาอบรมสมาธิคืออบรมให้เกิดสมาธิความแน่วแน่ลงไปิมกระทั่งรวมทั้งน่นั่นอันหนึง่งทีนี้เวลาพิจจะนาไปหลายคืนหลายวันต่อไปนน์มันมีแยกแยะอีกเหมือนกัน พิจารณาลงถึงความจริงแล้วจิทุกก็จริงเวทนาก็จริงตากดคือทุกเวทนาก็จริงกายแต่ละส่วนๆก็จริงตามสภาพของเขาจิตก็จริงตามสภาพของตนแต่ไม่ลงแบบที่เคยลงนะไม่ลงอย่างหายเงียบไปเลยจิตก็จริงอยู่อย่างนั้นแต่ทุกเวทนาไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบจิตนะั้น ให้เกิดความโคลนกว่าได้เลยแม้ทุกเวทนาจะหนักแน่นขนาดไหนเจ็บมากขนาดไหนจะจิต น, นั้นยิ้มได้อย่างสบ า, ายเพราะไม่สามารถครบอบจินได้นี่เราพิจารณาเป็นได้สองแง่นี้เป็นในแง่ใดก็คือความจริงเหมือนกันจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาเป็นความจริงตามเวทนาเรียกว่าทกุก็เป็นทุกข์สักสักว่ากายว่าเวทนาสักว่า เป็นสองอย่างแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องความอาถรรพนี้โหเด่นมากที่เดียวสามารถท้าทายได้เลยในเวลาตายจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะทุกขเวทนาเหล่านี้เราสรางหมดแล้วทุกขเวทนาเหล่านี้แลจะไปแสดงเวลาวาระสุดท้ายไปตายเด่นคือความตาย มันจะเอาเหนาหน้าไหนมาหลอกเราก็เหตุนาเหล่านี้เรารู้แล้วด้วยปัญญาแล้วแย่ลงไปหาถึงเรื่องความตายเอาอะไรมันตายถึงค้ น, น, นลงไปหาความตายอย่อยางจริงจังเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลของความตายความไม่ตายแยกลงไปพิจารณาลงไปดินมวลาสลายตัวกันแล้วก็กลายลไ ป, ไ ป, ไ, ป, ปไปเป็นดินตามเดิมน้ําไปเป็นน้ําตามเดิมลม จะเป็นลมตาเดิมไฟเป็นไฟตามเดิมจิตผู้ที่กลัวตายก็เป็นจิตอย่างเด่นชัดยิ่งสง่าผ่าเผยจิตมันตายได้ที่ไหนเมื่อมันเป็นอย่างนี้เอ้ยโกหกกันหนักจริงนะเวลาเรามโนถึงจิจริงๆนะมันโกหกกันนี่นะคําว่าโกหกก็ไม่ได้หมายถึงว่าใครแจ้งแจ้งโกหกกันนะคือโลกแห่งความไม่รู้จริงนั่นแหละมันเหมือนถึงว่าโกหกกัน เมือมันเข้าถึงความจริงเนี่ยมันไม่มีอะไรตายความรู้ก็เป็นความรู้ที่เด่นชัด น, นี่ตั้งรากฐานได้จิตใจแน่วแน่ตั้งแต่คืนแรกที่นั่งตลอดลุ่มนั้นเลยว่าเออต้องอย่างนี้ที่นี้ไม่เสื่อมเพราะมันถึงมันเหมือนกับว่ามันถึงพักของมันที่นี้ไม่เสื่อมถึงจะไม่จะไม่ก้าวหน้าก็ไม่เสื่อมลงไปอีกแล้วรู้ได้ชาติจากนั่นก็ก้าอจริง นี่การพิจารณาที่จะให้เกิดความฆาาหานชางช่เจตตสําหรับนิสัยของผมต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวอาจหานต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่อย่าไปคาดนะไม่ได้นะอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาเมื่อวานนี้แก้ได้เมื่อวานนี้ได้ผลเราจะไปเอาอุบายเก่านั้นเอามาแก้มันกลายเป็นทัญญาอดีตนะ แล้ว เ, เป็นเรื่องอดีตมันไม่ได้ผลมันต้องผลิตขึ้นมาในวงปัจจุบันจะเป็นเหมือนเก่านัา่นก็ตามขอให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันเป็นอันว่าทำในปัจจุบันแก้สิ่งที่เป็นปัจจุบันคือทุกเวทนานั้นได้แล้วเกิดขึ้นในอุบายใดให้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันปัจจุบันเหมือนกับว่าของเก่าไม่เอามาใช้ทิ้งแทงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนด้วยสติปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันโดยลําดับลาดับ มันทันกับเหตุการณ์นี่จึงเรียกว่าปัญญาปัญญาไม่กินไม่หมดถ้าลงได้เกิดแล้วมันคลิกแกงเปลี่ยนแกล ง, ลงหาทางรอดจนได้คนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะมะเวลาถึงขาวจนกรอบจนมุมไม่มีผู้ที่จะช่วยเหลือแล้วอัตาหติอตโนราโขมันวิ่งเข้ามาถึงตัวคนเดียวนี่ช่วยตัวเองอย่างเต็มเหนียวนั่นละ มันจะได้เห็นกำลังความสามารถของตนอย่างแท้าจาักใจนี่การทำความเพียนเราหนักตรงนี้ในส่วนร่างกายรู้สึกว่าหนักตอนนั่งหา ม, หามานุ่งหามคำเพราะไม่ใช่เชืองคืนหนึ่งคืนเดียวมันต้อง1ิบกว่าคืนหนึ่งหากไม่ติดต่อกันทั้งเดือนเว่นสองคืนบ้างสามคืนบ้างหกเจ็ดคืนบ้าง 6, เอาเอนกท่า น, น, ทนี้ที่เวลานั่งธรรมดานี่สามสี่ห้าชั่วโมงนี่เวทนาไม่ไม่ไม่ปรากฏนะเวทนาใหญ่ที่มันจะมาเกิดไม่ปรากฏมันชินแล้ว น, นี่นัน่งสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ก็ไม่เห็นพุกเวทนาอย่างที่มันเคยแสดงในเวลานั่งตลอดลุล่มมาแสดงเลยนี่คือความเคยชินเป็นปกตินี่เป็นการโหมมากทั้งด้าน ร่างกายและจิตใจจิตใจก็เด็กมากร่างกายก็หักโหมมากทอนหลังจากนั้นเมื่อคิดได้หลังนี้ทานแล่วมันก็ค่อยไปเร่อยเร่อยเร่อยไปดูนะท่านออกทางด้านปัญญาทีนี้เป็นแผนใหม่ขึ้นมาจริงทางด้านปัญญาไม่หักโหมทางส่วนร่างกายแต่หักโหมทางความคิดความพินิษฐพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับนอนไม่ได้ มันหมุนติว้วติวคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในการถอดถอนที่เหลือตัวนั้นตัวนี้ไปได้เป็นลําดับลำดับแต่ตัวไหนยังถอนไม่ได้พิจารณาจนให้เข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจอยู่ตราบใดนั่นแหละคืองานของเรามันจะปล่อยวางไม่ได้หมุนติวต้วติว้วติ้วนี่เพียเพียมากบางครั้งถึงต้องระยับยั้งในสมาธิ เอาพุโทโธเข้ามาบริกรรมถ้าไม่พุโทโธบริกรรมจิตมันหมุนติ้วๆอยู่กับงานคือการพิจารณานั้นมันต้องรังจิตเข้ามาเข้ามาหาพุโทโธบังคับให้กับพุโทโธพุธโทโธทียิบนี่ก็ไม่ลืมนะเผลอไม่ได้คำว่าเผลอมันก็พูดยากในจิตท่านนี่นะพูดได้พอหอมปากหอมพอก็ว่าพอเรารามือไม่ได้ รามือปั๊บถึงงานนั่นแหละเพราะนี่ต้องเข้มแข็งทางนี้ตั้งสติบังคับให้อยู่กับพุทโธพุทโธทีย็บที่นในจิตไม่นค่อยสงบลงสงบลงสงบลงถ้าความเย็นนั่นก็เย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาสบายขึ้นสบายขึ้นมีกําลังวังชาขึ้นมาพุทโธที่ย็บเย็บยยยลงไปจนกระทั่งคําว่าพุทโธกับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่วที่นี่สงบเต็มที่ มีความสบายเป็นมพุงนี่แหละท่านเรียกว่าพักในสมาธิเวลาทําการทํางาน เ, เหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักมันมาเตือนสมาธิอย่างที่ท่านกล่าวไว้เตืะนไปว่าสมาธิยังอ่อนก็ต้องพิจารณาและขอพักแม้สมาธิกล้าแข็งก็าตามเถิะไม่พักไม่ได้ต้องพักสมาธิจึงเป็นธรรมจาเป็นอย่างนี้ จำว่าจะปล่อยไม่ได้เหมือนพักสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วพอจิตถอนออกมาเท่านั้นแนะ่ะมีกําลังเต็มที่เช่นเดียวกับคนได้พักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายแล้วไปทําหน้าที่การงานเอามีดค้าเล่มนั้นแหละไม้พอนนั้นแหละคนคนนั้นแหละวาดลงไปีขาด มันไปเลยเพราะคนก็มีกำลังเมื่ก็ได้รับหินแล้วหินเล็มันก็ตัวเท่าเก่าไม้ท่อนเก่าขาดสะบั้นไปเลยนี่แะการพักทางสมาธิจึงเป็นของจำเป็นที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เมื่อทิ้งข่าวมันอ่อนเพลียเข้ามาแล้วต้องยับยั้งทางสมาธิจากขาด ถ้าเสียเวลร่เวลาก็ให้เสียไปเช่นเดียวกับเราเสียเวลาในการรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับเสียไปเพื่อได้กําลังวังขาที่จะประกอบหน้าที่ทำงานต่อไปอีกมีเสียกําลังในการพักสมาธิจะไม่ได้แก้ที่เรียกตัวอะรก็ตามแต่เป็นการเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของปัญญาให้ออกที่นิพิจารณาได้เต็มสติกําลังของตนแล้วพิจารณาสิ่งใดก็ขาดสะบั้นไปเลยทีนี้คิดก็เราไม่พักเป็นแม่ไหน ด้านสมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่มากเดียวที่ธรรมนาจิตมันต้องเพลินพิจนาแก้ที่เหลืประเภทต่างๆเพลในการแก้พอแก้อันใดแล้วมันรู้ว่ได้ชัดว่าอันนี้ขาดไปแล้วอันนั้นขาดไปแล้วอันนี้ขาดไปแล้วเรื่อยเลื่อยื่อยนั่งเขายิ่งเพลคุ้ยเสียเวลาที่เหลืแต่และอย่างอย่างมันขาดไปนี้พอพอมันขาดไปแล้ว ยังมีอะไรอีกนี่มันงานมันคุยเขี่ยนะทีนีน้พอไปเจอหน้กากบฏฟาดกันนี่เียว่ารบกันพฟาดปันมหันแหลกกั น, กนพอกิเลสตัวนี้หาดไปว่างงานความ ว, าว่างงานที่ว่ากิเลสไม่ไม่ปรากฏตอนนั้นที่นี่คุ้ยเขี่ยนัการคุยเขี่ยขุดคน้นหาเหตุหาผลว่ากิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็คืองานอีกเหมือนกัน พอเจอเขาเท่านั้นแหละที่เอาอีกแล้วไม่ถอยเพราะคําว่าแพ้นี้ไม่มีถึงขั้นนี้แล้วคําว่าแพ้ไม่มีนอกจากให้ตายเท่านั้นไม่ตายต้องรู้มีสองอย่างเท่านี้คําที่จะแพ้นี้ไม่มีเพราะฉะนั้นสริงเรียองขอความเปลี่ยนแปลงในขั้นกุฏิการท่านเรียองขางมหาสติมหาปัญญาทํางานโดยตรูมัน่น พิจูงพิจิพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยทางอัตโนมัติทำเนียกมหาสติมหาปัญญาสมัยปัจจุบันของเรานี่เราเป็นพระ ป, ระประ่าเถื่อนๆแบบนีงเป็นนี่เราพูดขณะหรือพูดเพียงว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั่นพอแต่ฐานะของพวกเราแล้วอันนี้ก็เหมาะสมทางตั้งในความจริงก็เหมือนกันก น, นั่นแหละกับคําว่ามหาสติมหาปัญญาแต่มันสนิท เราพูดนี่มันถนัดดีตามอัจยาศัยของเราและสมัยปัจจุบันโลกมันเป็นยังไงเออเอาของดีให้มันมันไม่มันไม่เอาแล้วเอาแก้วแหวนเนี่มันเหมือนลืมมันไม่สนใจถ้าเอามะขามให้มันนะมันกลับกรับกรัโลกทุกวันี่เป็นอย่างนั้นคำว่ามหาวิถีมหาปัญญานี่พูดให้โลกโลกฟังมันก็เหมือนยื่นแพชรยื่นพลอยให้ลิีนมันเนี่ยมันไม่สนใจอะ ถ้ายืนาาน่นมักถามให้มันชอบเพราะฉะนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นเราเรียนเพ่อความรู้ความฉลาดทําไมเราจะปฏิบัติต่อโลกให้เหมาะไปไม่ได้ใครจะฉลาดเหนือก็ผู้ทีเจ้าได้ในโลกนี้ใครจะหลักเหนือก็เจ้ามีดีเราเป็นผู้ปฏิบตัติตามหลักธรรมของยุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทําไมถ้าไม่ฉลาดต่อการปฏิบัติแก่โลกแก่ทิศสารเราย ฉขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่ากว่ารทำนี้ไม่มีมีทำนี้เท่านั้นที่จะเป็นที่อกุลเป็นที่มั่นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ทุกการสถานที่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่เราพยายามบึกบูนให้ได้เป็นสมบัติของเรา เปนที่พึ่งเราไปโดยลาดับดบจนกระทั่งถึงเข้ามาหาสมบัติได้แก่ความดุดทนโดยประการทั้งปวงนั้นเรียกว่าอาการลิจิตอาการลิกธรรมหมดเรื่องสมมติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใครจะว่าอะไรประเสริฐเราเคยได้ยินมาแล้วเรื่องสมมติประเสริฐตั้งแต่คำพูดของคนประเสริฐแต่ลงธรรมชาตินั้นมันไม่ประเสริฐถ้ามันประเสิดจริงๆ คนผู้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเสริฐนั้นมันร้อนาอะไรมันก็ต้องเย็นไปตามอยมันไม่ได้เย็นโลกเศษฐันปั้นยอโรคจอมปลอมถามจริงเป็นของจริงพิจารณาให้เข้าถึงความจริงกิตก็กำลังตอมอยู่ด้วยที่เดศที่งเป็นของปลอมแก้ที่เดศที่เป็นของปลอ ม, อ อ, มออกด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐามสังหารเกศทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดแล้ว นั่นแหละคือวิมุตต์เราจะไปหาวิมุตต์ที่ไหนมันหลุดพ้นออกจากตรงไหนหลุดพ้นที่ตรงไหนนั่นแหละคือวิมุตต์แต่ก่อนนั่นไม่เป็นวิมุตต์คืออะไรสมมุติก็ได้แต่ี่เรย์ครอบหัวใจอยู่นั้นเดีพอฟาดฟังหันแหลกที่ด เ, เอาเบื่อมัติมาปฏิปทาแล้วนั่นแหละคือวิมุตต์ขอให้หลุดพ้นถ้ายอยู่ที่ไหนดีหมดนั่นแหละพิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าบนอากาศใต้น้ํำบนบก นอนยืนเดินอยู่ที่ไหนมันก็หลุดพ้นอยู่ในหลักธรรมชาติเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีอิริยาบทไม่มีการไม่มีสถานที่ขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ไหนสบายหมดอเอาละเอาแค่นี้ก่อนที่ท่านบรรยาอธิบายหนูช่วนตัง